ใครใกล้หลับก็เอาเลยเป็นหูวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะที่28พฤศจิกายน2547ก็ตรงตามที่เรามีความประสงค์กันว่าจะฝึกันด้านอาภิญยาสมาบัติแต่ก็เป็นการให้ความรู้จะมากกว่า ก็เลยจะได้นำเอาไปฝึกเปนต้นถ้ามีใจปรารถนาที่จะจะมีกิจคโยยานกับเขาหรือว่าสามารถจะกำเนิดให้เกิดอภินยาสมาบัติได้เป็นต้นเพราะการฝึกแบบนี้ก็าสามารถจะนำไปโจการกับอภิญยาหกได้อันนีอสำคัญของการฝึกระหว่างกายกับจิต เราต้องพยายามที่จะมองแล้วก็คิดมองให้เห็นเห็นตามตาจ็นเก่งว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราที่นั้นเราจะเห็นอย่างไรนะแล้วก็โดยกับคนที่เขาตายไปที่เขาไม่ขาให้เราได้ยินด้ฟังของคนตายเยอะ ถาร่างกายเป็นของเขาจริงเขาก็คงต้องเอาร่างกายเขาไปด้วยก็จะทิ้ให้เน่าเปื่อยทำไ ม, ไมแล้วร่างกายเมื่อตายไปแล้ว mm hmm. ก็มีใครหวนกลับมาอยากได้มันอีกเลยแม้แต่คนที่เขาบอกว่ารักกั น, นกมากๆเขายังไม่เอาร่างกายนี้ไปเลยในความนจริงแล้วก็มองอย้เห็นภาพว่าสักวันหนึ่ง เราก็ต้องไปจากร่างกายนี้เหมือนกันเหมือนกับทุกคนที่เป็นหมูยักษ์ของเราหรือเป็นบุคคลที่เรารู้จักทุกคนก็จะมีจุดหลุดออกจากร่างเขาเรียกเคลื่อนไปแต่ใน้ที่มันตายก็คือธาตุทั้งสี่ประการนั่นมันประจุกันไม่ได้แล้ว อ, อย่างใดอย่างหนึ่งมันมากมันน้อยเกินไปมันไม่สามารถจะรองรับกันได้มันก็ยุบติการทํางนานก็คือตาย คำว่าตายหรือว่าจะไหลไปมันก็คือคำเดียวกันนั่นแหละเพรมันตายตั้ง แ, แต่เกิดจะไหลายไปแล้วมันก็ไม่กลับมาหาเราอีกนี่คือคำว่าตายแต่ถ้าเป็นของเราจริงไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องกลับมาหาเราอีกจิตเนี่ยมันจะแปรเปลีป่ยนเป็นอริสมนกายมีรูปร่างเป็นใจตามว า, าระที่ใจของเราเข้าถึง เดี๋ยวก็จิตมันผ่องใสอัจฉริมานาจัยของเราก็จะโดดสวยสดงดงามของใสเวลาจิตของเรามันเศร้าหมองอัจฉริมานาจัยมันก็จะดดหน้าดังเกียดเศร้าหมองประามตรองใสของอัจฉริมานาจายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าใจของเรานะ่นะมีแก้รับเขาเรียกว่าอานิสงส์นะบางคนเขา ชอบที่จะสร้างพระพุทธรูปไว้ในบวรแหงพระพุทธศาสนาเวลาเขามีอธิยมนากายปรากฏร่างกายของเขาเป็นอริมนากายก็มีรักษมีสว่างไสวมากกว่าคนอี่นนคนที่ชอบถวายผ้าก็าจะมีเครื่องตรงน มากกว่าคนอื่นเขาแล้วคนไม่ใส่ถว า, ายเลยก็คงจะโตเดืย แ, และคงไม่ใส่อย่างนั้นนะไม่มีอะไรน่าอายแค่ว่าเรียนตามแล้วก็หมายความว่าเราต้องอยอมรับความจริงว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราก็ต้องเอามันไปด้วย นี่จะเป็นของเขาเขาเอาร่างกายนอกๆไปด้วยนี่เขาทิ้งไว้ทิ้งให้เป็นอาหารของสัตว์แล้วก็ไม่มีอะไรจะเหลือไม่มีสภาพกลับมาเป็นรูปร่างเหมือนเดิมไหม่แล่สิ่งนี้เราก็คิดพิจารณาตามความเป็นจริงว่าถ้าเวลานี้ละ่ะเราจะไปจากร่างกายนี้เราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะกลับมาอีกไหม การอาศัยของสกปรกจะกลับมาไหมถ้าไปได้จะกลับไหมเดี๋ย จ, จะให้มันนอนแน่นิ่งเน่วไปซะกาลังใจในการตัดสินใจตอนนี้มันก็สำคัญทิ้งนั้นมันจะยังไม่เกิดกับเราแต่เราก็มีความเชื่อในความจริงว่าสักวันหนึ่ง สิ่งนี้ก็ต้องปรากฏ ก, กับเราแ น, น่นอนหน้ารูปร่างของเราจะเป็นเที่ยระเป็นที่ภาใจของใครก็ตามถึงเวลาที่เราไปจากร่างกายนี้แล้วไม่มีใครมาระไม่มีใครมาสนใจไม่มีใครอยากเลี้ยงแลดมองดูอะไรอีกแล้วเต่ตัวเราขนาดตัวเรานีนสําคัญมากสําคัญตรงไหนตรงที่เราจะไม่ไม่มีความทุกข์จากบันอีกแล้วอันนี้ถือว่าจะยากตามศาสนาไหม เอ้ไม่ต้มาอันอันแตงละอันปวดกระหักปวกระหักเนี่ยนะอันขี้อันเยี่ยวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าต้องมาคอยทุกขเวทนากับกันที่แข่งขามันปวดเพราะนั่งนานๆเลือยมมันไม่เดินมันก็เริ่มปวดเอ็นเอ็นมันเริ่มขัดจันเป็นกันมาเก็ะปวดใช่ไหม เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็ปวดเวียนหัวไม่เวียนหัวก็จุก ม, มึนหัวไม่มึนหัวก็ทําทให้เรา ง, ง่วงนี่จะเลือดเลี้ยงสมองไม่พอนั่นถ้าเไปจากร่างกายนี้อาการแบบนี้เราก็ไม่ไปจับคบ ม, มันอีกแล้วไปกันยังอยากจะไปจากร่างกายนี้แล้วอยังถ้าเราจะไปในที่ดีเราก็จะมีตามดีจริงไหม แต่ไปสวรรค์เราต้องมีศีลแต่ไปนรกเราประทุศีลอ่าจไปไหนต่ตะการจะตายแล้วไปสวรรค์แล้วก็ต้องมีศีลก่อนศีลมของไม่ยากไม่ใช่ของยากเีวลาตั้งใจไม่เด็ดเดนใครตั้งใจราสนาดีกับทุกๆคนเรารักตัวเรายอย่างไรเราก็รักตัวอื่นอย่างนั้น นี่เสียเรามีสิทธิ์่ะเราไม่อยากให้เราเสียทรัพย์เราก็ไม่อยากเจะไมไม่อยากให้ทรัพย์ของเราสูญหายไปเราก็ไม่อยากทำให้คนอื่นเขาต้องสูญหายจากทรัพย์ไปเพราะเราเราไม่อยากจะเจ็บเราไม่อยากจะตายเราไม่อยากจะมีอาการร่างกายไม่ก็เชื้อไอซ่าที่สองเราก็ก็ไม่อยากคนอื่นเขเป็นอย่างนั้นก็ไม่คิดจะทำเขานอจากัตเ์ในายสารนั้นใครรักเราอย่างไร เรารักการสุขเราอย่างไรเราก็ไม่กากับคนอื่นอย่างนั้นถือเรามีสินไหมมีสินนะวายใจเราก็ไม่อยากเชืดด่อในคนอื่นกระเทือนใจถ้าเรากระไร ใ, ใจใครพูดวาจากระเทือนใจเราเราก็ไม่ทำเพราะเรารักตัวเราสงสารตัวเราแล้วถ้ารักทุกคนเสมอสเช่นเดียวกับเราก็ไม่ทำนั่นเราจะโกหกคนอื่นแล้วก็ไม่ทําสินเป็นเรื่องของง่ายไหม ง่ายถ้าเราคิดว่าเรารักเราอย่างไรเราต้องการเรามีความสุขอย่างไรก็ต่าเสน่คนอื่นเขามีความสุขเหมือนเราอย่างนั้นยังนึกถึงเป็นปกติณในขณะนี้ก็ จ, จะแผ่เมตตาไปเพื่อจั ก, กรวาลทั้งสี่เ็รื่องเพื่อนเรื่องร่วม เ, เ, เ, เกิดแก่เจ็บตายของเราทุกคนต้องตายทุกคนในขณะที่ยังไม่ตายต้องมีแต่ทุกข์ ทีคนในขณะที่ยังไม่ตายก็ต้องเจเจับเรื่องที่ไม่ดีเลยตาเป็นคนหนึ่งละที่ไม่อยากเจ็บแล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องเจเจับเรื่องราวแบบนี้นั่นาำทุกทั้งหลายที่เขามีกับเรามีมันไม่ได้แตกต่างกันใช่ไหมเป็นเหมือนกันเราทุกข์เขาก็ทุกข์เหมือนกันเราไม่ชอบอะไรเขาก็ไม่ชอบอย่างนั้นลองถามกันสิ มีใครชอบใค้ใครพระเจ้าวจาไม่ดีกับเราไหมไม่มีมีใครชอบในสิ่งสงของของคนนั้นก็สูญเสียหายไปไหมไมไ่มีใครอยากสูญเสียแล้วก็ไม่มีใครอยากใครตายอหญ่ก็ที่ราไรก็อยู่กับตน น, น, นานๆตลอดชั่วขับช่วกันแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ว่าทุกคนจะไม่ตายร่างกายนะมันต้องตายแต่ จ, จิตอธิสัมารกายเนะีมันไม่ตาย แล้วก็ตั้งใจ ค, คิดว่าสิงของเราตอนนี้มีความปรารถนาที่อยากให้ทุกคนเป็นสุขเหมือนกับตัวเราเลยความคิดีด่อิจฉาหรือจะยาไใยไม่มีความอยากให้เขาเป็นเลวร้ายยิ่งกว่าเราไม่มีมีปรารถนาให้เขดียิ่งกว่าเราไม่มีความสาุขเหมือนที่เรามีคว า, สามสุขนนคิดแค่นี้สิ่งบริสุทธิ์เวาเรามีสิตงราบริสุทธิ์ใจในใจเราไม่มีแลที่จะคิดจะคิดรายใคร ตามสศร้าหมองในจิตมันไม่มีถูกไหมจิตอ่งใสใตายไปสวรรค์ไหมอย่าน้อยไปสวรรค์ได้ตอนนี้แค่เนี้ยไปสวรรค์ได้แล้วไปไหไปสวรรค์ในสวรรค์อยู่ใน อ, อก อ, อกนี้จะขี้เดียวนะไปเลื่อนไปที่ที่เซวดานางฟ้าเขาอยู่กัน ไปอย่างคนที่มีศีลไปอย่างคนที่มีจิตใจเมตตาสงเคราะห์ทุกคนเสมอเท่าเทียมกับตนไปอย่างคนปรารถนาดีต่อทุกๆคนไม่คิดร้ายต่อใครไปอย่างคนที่คิดว่าเรานะิมก็มีตามสุขใจเป็นเหมือนกันเราก็มีทรัพย์ที่ตัวเราไปส่คืวามดีความดีที่เราทําด้วยในพรศาสนานี้ทําไม่เยอะแต่ร่วมเขาสร้างโบสถ์วิหารกาเกรกเรียนเราก็ร่วมกับเขา สร้างมันเช่นถ้ า, ถาร่วมสร้างทีวัดถ้าตรงยิ่งสวยใหญ่ใช่ไหมแก้าทั้งนั้นทำได้จะจบเป็นเจ้าทั้งนั้นแวววัจักใจถ้าใครเคยใจนึกถึงตอนนี้เห็นไหมเห็นมันหลับแก้วไหมเห็นมิหาร้อยเมตรไหมเห็นแล้วก็สามารถเห็นพระใน ม, มิหาร้อยเมตรไหมเห็นเ ว, วลาเคยตาเราก็เจอเห็นลืมตาก็เห็นหลักตาก็เห็น มองไปหนาแสงอาทิตย์มันส่องสรั้งกระจกเห็นปรกกาวักวักวักวัมีหวานไะก็เห็นนั่นคือสิ่งที่เราได้เคลร่วมจะทํากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาให้จับใจคนอันนี้สองที่เราทําวิหารกาอย่างนี้ต้องปรากฏมีดวงสงสวรรค์แน่นอนแล้วก็นึกถึงความดีอย่างนี้ว่าเราไปตามข้อรับจริงในพระพุทธเจ้าพระธรมพระอริยสองเป็นที่ขึ้น ท่านผู้มีพระเกลุนทั้งหลายที่เป็นโจดานนางฟ้าพมที่เป็นท่านพ่อท่านแม่กรดีท่านป ổ, ทานากกูท่านย่ากรดีท่านคงไม่ตาแต่เราท่านคงไม่ถือโทษโกรธในสิ่งที่เรากระทำตามไม่ดีไม่งามต่อท่านมาก่อนแต่ถ้าสิ่งใดมันจะเป็นโทษเป็นภยัยทําให้่พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีโอกาสเอาดีได้ก็ขอความเมตตาจากพระรัตนตรัยนะได้ถึงคุณพระพุทธเจ้า เป็นพระธรรคุณพระอริยสงฆ์ะเป็นคุณดิดามันดาครูบาอาจารย์พม่าจวดานงฟ้าทั้งหลายที่เจ้าข้าขพเจ้าสิ่งใดก็ตามที่เป็นการปรามากทาได้สันทั <Okay. S 2> ้งหลายไม่สบายกายไม่สบายใจขอให้ทุกพระองค์ทุกทนดโปรดเมตตาโปให้แก่ข้าพเจ้า นักตั้งแต่แบบนี้จนกวาเข้าถึงซึ่งพระนิพพานดังนั้นท่านทัง้งหลายก็ตามที่เข้าไปเจ้าได้เคยกระทำำํากรรมในการปานาติบาตก็ดีอคินนาก็ดีกาเมก็ดีมุสาวาช า, า, า, าก็ดีเวลาเมระยะก็ดีอย่างนี้เป็นต้นทําให้ท่านทังง้งหลายต้องเือดร้อนเพราะการกระทําของเข้าไปเจ้าที่ทุศีลไมใ่ใช่ก่อนก่อนจะดีถ้าบตะเกิดดังก็ดี หากท่านทั้งหลายจะรับทราบในการตั้งใจของข้ า, าพเจ้าขอริษจดไม่ตาอดโทษอดโทษให้แก่ข้าพเจา้าโดยเถิดเพราะข้าพเจา้ารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเลวร้ายนำพาให้ข้าพเจ้าต้องไปสู่อบายภูมิแต่ณวันนี้อาศัยตามดีของพระพุทธองค์อาศัยตามดีการของคุณบาอาจารและท่านผู้มีพรคุณทั้งหลายทำให้ข้าพเจ้ามีติอย่างใส ขอบารมีของพระพุทธเจ้าแม่ตาส่งครอบครอบคุมกายของข้าพพุทธเจ้าครอบคุมจิตสงเข้าพพุทธเจ้าให้มีกําลังสว่างสวัยแจ่มใสสามารถจะมีความรู้สึกความในจิตของใจเห็นวิมานที่ปรากฏเป็นสวรรค์ขั้นดาวดึงเสเาวลกหรือว่าสวรรค์ขันใดขันหนึ่งได้ที่มันเป็นของข้าพเจ้าที่ได้ทำทานหรือ จ้างวิหาละกานเอาไว้ในในบริวารแห่งพระพุทธศาสนาหากภาราอายสองจะปรากฏเป็นจริงขอให้ขปจมีความรู้สึกเห็นสิ่งที่เรียกว่าปิมานปานรากฏนอนในกางอากาศให้ข้าพปจด้เห็นชัดเจนจับสายสว่างสวายจอมอัจจาด้วยเทนมีความรู้สึกของใจไหมล่ะเออ บางคนอาจจะเป็นเหมือนเจ้าระยิบระยับบางคนอาจจะมีเจ้าประสมทองแล้วก็ลองดูความรู้สึกของใจเราหลังเล็กหลังใหญ่หรือเหมือนกระกาศพระครูไหมจะอยู่ได้ไหมหลังเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วหลังใหญ่โตมาหัวระลามแล้วก็ดูซีว่ามีไหมถ้าเราไม่เคยทำทานแล้ในประกาศศาสนาคีอไม่เคยสร้างวิหารฐานเอาไว้ไม่เคยสร้างที่พักให้คนได้พักอาศัย เป็นสาสาณะจริงนี้จะปากกรากฏตัวไม่ได้เลยแต่ก็เคยตั้งใจเรื่องกระทำกับเขาริงใจร่วมกับเขาถึงไม้ริงใจก็ตามแต่ว่าร่วมมธนากับเขารู้ว่าเขาทำกระทำด้วยหรือบางคนอาจระต้องถูกบังคับให้ทำแต่ก็เอาเอ่ะทำก็ทำยันนี้มีวิมาตากับไหมมีแล้วเราก็เดินต่อไปชื่ว่า ทานที่เราได้นับน้อมตลอดขาวใส่จีวรในบรวรแห่งพร ะ, ะพุทธศาสนาเราเคยร่วมกับเขาก็มีในกาจิบนทามก็มีถูกไหมระสีผ้าเป็นสําคัญเดี๋ยวจะว่าตาเป็นทิพยคือผ้าเครื่องทร ง, งของเราที่ปรากฏในอริสัมมา า, ายเนการที่เราไปนั่งในวิมาตของเราเนี่ยไปมันจะมีให้เราได้เห็นไหมประหล่าหลงหน้าตาก็งเรามาเป็นเจวดาแล้วเป็นนางฟ้าอ่า มันเป็นเด็กแล้วมันเป็นเดกผู้ใหญ่ทีนี้เวลาเขาจิตติมาถึงเกิดปั๊บมันก็อยู่ในวิมานปุ๊บวิมานมีแล้วก็ไปอยู่ในวิมานกันธีแต่ใครทีเป็นเดริวาของเรา เขาก็จะไปเจาะใกล้ๆไปในในวิมานของเรานั่นแหละวิมานเขาก็อยู่ใกล้ๆเราติดๆติดๆกันในบริเวณนั้นแค่ได้บริวารอยู่ร่วมกันร่วมกันแล้วก็พิพนนานดูซิว่าณณเวลานี้ขึ้นเรื่อาความเป็นที่ปรากฏด้วยอานาจแห่งบุญที่เราทํามาถามว่าความไม่สุดที่ใจเราได้เรามีนี่เราพอใจไหม ถ้าจะเปรียบเทียกับสิ่งที่เรามีในอตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินเงินทองมีสื้าอาภรมีรูปร่างหน้าตามีขี้มีเยี่ยวอย่างเนี้ยกับสิ่งที่เรามีรูปร่างหน้าตาเหมือนดังเดช ว, วดานางฟ้าแล้วก็มีวิมานอารมณใจมันแตกต่างกันมากไหมมา ตามเบาของจิตนี่นแหละเป็นเรื่องสําคัญที่เราสา ม, มารถจะเห็นอะไรง่ายรู้อะไรง่ายงั้นเวลาเราฟังพระธรรมเทศนาจะออกพระยงท่าตัดกรดาษ ม, ม, า, สมาสัมผัสจิตใจจึงเข้าใจง่ายแต่ในฟังที่มีร่างกายเป็นของหนาเวลาเราฟังพระธรรมเทศนาบางทีมันง่วงฟังภาพเคลื่อนอยวง่วงร่างกายมันดึงจิต เ, าเราจิยวก็จะง่วงฟังไปไม่คันจะครบประโยกเดี๋ยวก็ตก มีความคิดเองเข้ามาแทะฟังไปฟางมาพอจะรู้เรื่องหน่อยหายวัดไปแล้วเอ้ยเมืเ่อสักครูนี้กระรากลังเล็ถึงอะไรอยู่หายไปอยู่แล้วนั่นเปอย่างมันมันหนักพระร่างกายมันเป็นเหตุสําคัญมันทำให้การที่ทาให้ใจของเราเนี่ยจะเข้าถึงความตุขมันทําได้ยากนะแต่ถ้าเราไม่มีร่างกายเป็นเหนือนอย่างเทวดานางฟ้าเวลาไปฟังพระธรรมเทศนาจยากฟังก็ดี แต่พระพุทธาก็ดีมันฟังแลวเข้าใจง่ายแล้วก็โดยต่อไปที่วิมานหลังเนี้ยมันมีอยู่ละเป็นของเธอแน่นอนตายชาติเดียวจได้แน่แตติดในเตาหมองนะอย่างน้อยที่สิดเราก็ได้วิมานหลังหนึ่งละแล้วก็มีโกคสมนมพันเซลเจืองามแบบนี้แหะ อืมีเครื่อประดับเป็นทิพย์ใครสักสวยก็เห็นแล้ว ว, ว่ามันสวยเอาอะไรอีกอ่ะแค่นี้พอมไหมพอใจไหมพอใจในความสุขที่เราได้มาแค่ น, นี้ไม่พอมไหมไม่พ อ, อจริงๆก็ควรจะพอแล้ว พอแล้วนะนะแค่นี้ก็พอแล้วนะ <c oughs> ไม่จะอยู่กับที่ก็เยอะพอไห ม, มไม่จะมาเปนจะภาพรรทั้งหลายที่ต้องทําดีไหมไม่จะเป็นเหนื่อยให้ลําบากดีไหมไม่ต้องขอยเจ็บตัวเรื่เรื่องนี้ที่ป่วยให้ไม่สบายดีไหมดูประกันต้องเยอะแค่นี้ก็พอใจแล้วถ้าอย่างเราจะพอใจมากเลยถ้าเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีก จรงๆไมต้องถามใครถามตัวเราคนอื่นไม่ใช่ผูททำให้เราไม่เกิดเราเป็นผู้ตัดสินใจที่จะไม่เกิดกับเพียงคู่เดียวถูกไหมอ่งางั้นเมื่อเรามีสาภาพเหมือนอย่างเซวดาดังฟ้าแล้วก็มีวิมานล่องลอยในกลางอากาศแต่มาเจอวิมานเปรตนะ <c oughs> เฮ้เห็นไหมเรามองดูสิวิมานของเปรต วิญญาณก็เปตเป็นตัวสวยนะนมีริมานออกมาไม่ได้ออกมาก็จะมีเปลวไฟเผาตัวนี้ผู้ทราบชือชอบเลี้ยงจักว์ต้ขังจักเอาไว้เลงดูก็ได้อย่างดีให้อาหารจาน ก, กินอย่างดีแต่อไหร่ก็เป็นอิสระผ้า ก็เลยเป็นวิมานกระเดกลอยอยู่ยการอากาศนะออกมาก็โดนจักฟันคอขาดออกมาก็โดนไฟเผาเหล่าร้อนหายไปแล้วก็ต้องอยู่อย่างนั้นะขาดใจเป็ิสระนะนะไม่เหมือนเทวดานางฟ้าจะไปไหนกะไปได้นะแต่วิมายกระเดกพวกนี้คือพวกที่เป็นเปรเตตอนนี้วิมานอยู่ไม่สามารถไปออกจากบ้านได้วิมานออกไม่ได้นะออกไปเป็นอาวะแต่ นี่แหลไอการที่รักสัตั์มากๆอยากให้ตัดมันนี่ว่าน่ารักมาอยู่กับเรานานๆเออเอามาขังเอาไว้เอามาดูเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วก็เลี้ยงมันสิให้หาแม่กินอย่างดีสินี่แหละจะได้วิมานแบบเนี้ยอไม่ได้วิมานจะตีเห็นว่าตอนแรกนะตอนแรนกในสติปายตัวิหารรักทานเอาไว้ใช่ไหมได้วิมานหลังใหญ่ไอนี้ก็ตั้งวิหารรักทานเพื่อใจคือสร้างบ้านให้ น, นกมันอยู่ สร้างว่านสัตอยู่สร้างไหมสร้างแต่ถ้าขังมันไว้ในที่จํากัดก็เลยได้อาริสงุงวิมานก็ได้เห็นสวก็สวยอ่แาแล้วก็สวยหน่อยออกไปได้ออกมาก็เจอแน่แล้วก็ทรมานกันแบบนี้เพราะว่าสัตว์เขาอยู่ในกรงเขาก็ต้องไม่สดายใจหรื อ, อัดใจเขาก็ อ, อยากจะออกจากกรงเขาเหมือนกันถูกไหมแล้วพวกถึงวิมาน ก็เป็นอาลัยสงฆ์ที่เธอทุกคนได้กระทาไว้ตามในความเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะสร้างแค่เพื่อหมางเงินให้คนก็ได้หยุดพักอาศัยกันแดดกันร้อนกันลมกันฝนนั่นก็ได้วิมานเหมือนกันไม่จะไปสร้างสร้อยสร้างานปันนาดใหญ่โตเป็นจุดเป็นเหมือนกับปอดหรือเป็นศาลาอะไรขนาดก็ได้ก็ได้วิมานเหมือนกันนี่เราก็ดรวจสอไปว่า เมื่อเราได้สิ่งนี้แล้วเราพอใจสิ่งที่เป็นตามสุขแบบนี้แม้จะเกียวกับมนุษย์ก็ต้องพอใจแน่นอนจริงหมหนึง่งสบายเบาใจอยากจะนึกถึงใครก็นึกง่ายอยากจะไปไหนก็ไปได้ง่ายง่ายแล้วก็ลองดูที่ว่าถ้าวิมานเขเราร อ, อไปกับเราด้วยนะเราไม่ไปกต่ตัวเอาวิมานรอไปทั้งหลังนั่นแหะร อ, อไปด้ว ย, ยได้ไหมหได้ ลาไปทั้งหลังไม่มาเนี่นยนะลาไปไหนดีล่ะลาไปตั้งๆอยู่ใกล้ที่พระจุลมนเีเจดียสถานก็ได้ mm hmm. แหวกแหวกทางไหม่ข อ, นะ mm hmm. อตั้งไหมนะจอ่นะฮะและ้วจะเจาแล้วก็จะลงแล้วนะเออแล้วถ้าใครจะให้ภาหันนะหรือทำบนเกี่ยวกับภาหันะสงเคราะห์พระสงเคราะห์คนไันก็มีผ่านนะ ในการเดินทางอยากเะ็นรถสบายมันก็จะมีราชรถไอเดสงนะเวลาตายก็จะมีราชรถมารับถ้าถวารก็ได้เรือคือันดาหุงถ้าถวรถก็จะได้รถนั่นรถรถเหนือนรถม้าไงนะจะนอนสวยงามมารับถ้าเป็นไอเดสงคือเราทำยังไงล้วก็จะได้ยังไงเป็นไอเดสงของเราแต่เราไม่เคยทำกับเขาก็ทากันนะ เอ่า่ะนั่งให้ตามสุขให้ตามสะดวกแต่คนให้เขาไม่ได้เดินทางอย่างสะดวกสบายอ้าวมีข้าวรถไหมออกให้หน่อยอ่าพราเดินทางไปไหนจะเจอท่านกางทางท่าจะกลับถวายข้ารถท่านกลับอะไรอย่างนี้เป็นต้นถือว่าเราได้ให้ตามสุขเป็นด้านภาหาระกัท่านแล้วก็จะมีคนมารับเราแต่ว่าคนก็ไม่ใช่พระเจวดานีนี้ท่านมีจะทํำลองดูคิดว่าเราจะมีราชรถมาอยู่ในที่หมายของเราไหม มีสักคันไหมอนแล้วก็วางวิมาณเอาไว้แล้วก็นั่งรถไปดีไหมดูเท่นหน่อยเนาะนั่งรถไปนั่งไปไหนดีล่ะลอยไปเรือไปเร่เร่อ่าไปไหนกันดีไปไหว้พระพุทธเจ้า ก, ก่อนดีไหมอ่าดีแล้วก็ลอยแล้วลองไปที่พระจุลมณีเจดียสถานนั่นะ แต่เรไม่รู้จักที่ตรไหนเป็นไรเขคิดว่าตรงไหนเนาะพระจ้ลมาเจดีสถานเขว่าพระเจ้ลามาเน่ต้องมีเจดีย์ใช่ไหมเจดีย์ก็ต้องพบเจดีย์องค์ใหญ่ๆเจดีย์ตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับแก้วใสๆสวยงามองค์ใหญ่มากก็มีธงอยู่ข้างบนน่ะซิลเหมืองปะกาแลยึบแลยับยึบแลยับข้างบนจะเห็นไหมนะเป็นโดดโดดมันมี หรือจเป็นผ้าจนเป็นผ้าเก้านะนะบางๆใสๆนี่ไม่ได้แข็งทื่นะโอเงี้ยเออเป็นหลักให้เห็นว่า น, นี่เป็นหลักของสวรรค์เชนดาวาดึงเห็นเจดีย์องค์ใหญ่แล้วก็จะมีนเจดีย์องค์น้อยน้อยตั้งอยู่ทั้งสี่ทิศแล้วก็ยังลอยนั่งอยู่บนลากสระรอเห็นเจดีย์ก็ไปไกล เป็นเจดียองเล็แล้วกาลงมาแล้วก็จเจอหินลาดอันกว้างมีคล้ายๆเป็นซุ้มประตรูมีทางข้าวอยู่สี่ด้านมีบันไดาทางขึ้นเป็นเจ้าวบสมทองนะอยู่สี่ทางแล้วก็มีกำแพงคือสามชั้นล อ, อยอยดูนะจะพับพบอยู่ อ่าโดยจากข้างบนลงมาดูข้างล่างเห็น่ะก็มองดูไปๆๆๆแต่จะ เ, เห็นว่าทีเนี้ยที่พรุรามานันเจดีย์าสถานเป็นที่สำคัญที่ประดิษฐ า, านพรเกี้ยวแก่และพรมลัยของพระพุทธองค์นะเราก็เอาอะไรนึกถึงสิแล้วเคยมีดอกไม้บูชาพระแล้วเคยดอกเอาดอกมาลยัยาบูชาพระไหมโอเ เก็เียของมะริของเราที่เราเคยตั้งใจบูชาพระจะมีอน้สงรา ก, ก็าเป็ น, น, นเหมือนมะริแก้วเห็นแล้วเราก็ใช้ลากเสื้อลงเราเนี่ยลอยต่ๆในเดินนะลอยไปแล้วเราก็โปรยดอกมะริเจ้าเวียนทักจนาวัดตางขวาปรดอกมะริเ จ, เ, จเจ้าลงไปบูชาบนพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระอริยสง์นะอ่าลองไปมันก็เป็นกล้าเลยยึดเลยยับไล้ยึดเลยยับเลกๆนเสวยดีไหมอ่าลอยนะล่วงหล่นลงไปตามพื้นรอบๆบริเวณเขตพระจุลมณีเจดีย์สถ า, านนะแเราเคยสวาของหอมพระท่นไหมถ้าเราเคยสวดของหอมบูชาพระนะเราก็นึกถึงว่าคอยมีน้ำชึดที่มีกลิ่นหอมชื่นใจ เอแลวะวก็ตั้งใจในอนามิตเนี่ยเดินลงไปตามพื้น ร, บรอบทางเข้าพัจจุลม น, นีเจดีย์สถานให้มีกลิ่นหอมชื่นใจพื้นจะเป็นระดั บ, บมะลิแก้วกับมีน้ำกลิ่นหอมหอมที่ลอยลงไปส่งกลิ่นให้หอมให้เจริญาานาวฟ้าที่ท่านจะเข้าไปไหว้พระท่านมีกลิ่นหอมขึ้นใจดีไหมอ่านี่จะเป็นการดูช้าด้วยของหอมที่จำเป็นต่มนุษย์เราก็ทำก็มีอานิสงส์ ทำไว้แล้วเคริ่มกับสร้างทางเดินในพระศาสนาเช่นเขาเดินทางเข้าออวัดเดินทางเข้าบ้านเดินทางสะดวกสบายแต่ซ่อมแซมทางเดินให้เขาเดินข้ามแต่สิ่งที่เป็นชุละกันดาดและสิ่งที่มันมีเชื่องจีดฝังทําให้เ้าเดินเลี่ยงเดินง่ายขึ้นนี้เคยเริ่ม ท, ทมําแล้วเคยทำเขาไหมถ้าเราเคยทำแล้วทิฏฐะขอยทางเดินจงได้ปรากฏเหมือนกับแก้าวสว่างสวยเป็นทางปรากฏ ข้าประจาการาชสิริของเราเนี่ยไปถึงซุ้มประตูทางเข้าพระจุลวรินทร์เจดีย์สถานมีไหมนี่แต่ก็ตั้งใจว่าเราจะเข้าไปกราบไหว้องค์สริพระจอมไตร บ, มบรมศาสตร์ในเขตสถานที่นี้ใช่ไหมแล้วก็เดินลงไปเดินไปตามทางชิดดวงจิตที่เราสร้างขึ้นมาด้วยอาณาสักรอาณาจงกรของเราเนีเดินไป เราถึงส้มประตูแล้วก็หยุดก่อนศาสนรัห ก, การขออนุญาตเจวดาที่ตกป ร, รัก ษ, ษาส้มประตูตตทางเข้าเขงที่สําคัญของวัฏสงา์ที่ทุกคนและเทวดานางฟ้าสงท่านมีตามเคารพนั่นเราจะก้าวเท้าเข้าไปสักก้าวนึงเราควรจะทำตามเคารพอ่อนน้อมถูกไหมขออนุญา ต, ออนนออญาตท่านซะก่อนแล้วก็เล็กถึงว่าขอตามดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทํามามีหน้าที่ตกป ร, รัก ษ, ษา มาคอยดูแลคนทั้งหลายท่านทั้งหลายที่เข้ามาไหวอตาหดีพระพุทธองค์ที่นี่พระเจ้าขออนุโมทนานะในความดีของท่านทั้งหลายขออนุญาตขอยาาได้เข้าไปไหวพระพุทธเจ้าบ้าง้ท่านอนุญาตรตรก็จะถูกเิแล้วเราก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปเดินเข้าไปเจะไปแตอะไรล่ะ เราควรจะมีดอกไม้เราควรจะมีสิ่งที่ติดเชื้อสก่ารักบูชาดีไหมถ้าเราเคยร่มถวัยถ้าไม่ใช่ผ้าล่ะเครื่องทุกแพรทุกแพรเทียนแพรอย่านี้นะถวายกับพระเวลาเราขอเข้ามาพระราชนะตสละมีไหมเราเคยมีแค้แต่ก็ตั้งใจว่าด้วยอานิสงส์ที่เคยสวัยทุกเทียนแพรไวในประวัติของพระาสนาบูชาคุณของพระพุทธศาสนงพระอริยสง์ ขอตุดเพียนทาที่เป็นเหมือนดอกแก้วใสๆ ส, ส, สวยๆนะจะได้ปลาปรปากฏอยู่ในมือของข้าพระพุทธเจ้าอย่างนี้มีไหมอ่าพเรามีแล้วก็ตั้งใจขออนุญาตท่านทั้งหนขอได้เข้าไปเอาเครืสักการะนี่ไปตั้งบูชาที่ท่านถ้าจะมีท่านจะมีท่า น, านตั้งอยู่ท่านหนึ่งเป็นแท่งแก้วนะใส หาจะเป็นทอ ง, งมาส่องแก้ามีเลตลาและยึทยัดนะว่างเรียงไว้แล้วมองจากที่ขั้นตั้งกับสิ่งที่เป็นที่ประทับโดยเป็นที่ทพรอบไส้พระเคี่ยวแก้และพระโมเรียที่สูงกว่าเป็นชั้นอย่างเงี้ยเป็นวงกลมล น, น่ย<ด>หลั่ลดหลั่นลงมาหลั่นลงมามีเยอะไหมะมีหลายพระอบนะเยอะมากทีเดียวแล้วก็เอาได้วยเพื่เป็นแพรแ้วเนี่ยไปตั้งมโนปณิทาน ขอเอาสิ่งนี้ตั้งใจบูชาองค์เสด็จพระพิชิตมารมณ์มาสาสดาที่ทรงมีน้ำบัตรพระเมตาแก่ข้าพระพุทธเจ้าให้รู้อะไรเป็นอะไรรู้ว่าสิ่งใดควรจะคิดสิ่งใดควรจะละสิ่งใดควรจะวางสิ่งใดควรจะต้อง ท, ำ ท, ำทํำธรรมะชีวิตของข้าพระพุทธเจ้ามีความสดวิ่งขึ้นในตา่าเป็นมนุษยชาตินี้และในเวลานี้ก็ายได้มีโอกาสได้ใช้ใจของข้าพระพุทธเจ้า ที่ออกมาจากร่างกายอันเป็นของหอยาบดังนั้นพระบาลเมศของพระองค์สงเคราะจึงมีโอกาสที่สามารถจะเอาจิตที่เป็นอัจฉริมยมรรคมากราบได้บูชาพระองค์ที่พระจุลามณีเจดียสถานได้และสิ่งใดก็ตามหากข้า พ, พุทธเจ้าได้เค่ประมาทภาคทั้งต่อคุณพระ ร, ะ ร, ะรัตนไตรขอพระรัตนไตรด้วยตัวประาทรานอดโทษให้แก่ข้าพพระพุทธเจ้านักการระบัดเดี๋ยวนี้ได้เถิดกนปะจะได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติตาจบันพระพุทธเจ้าขางแล้วก็ตั้งศิษย์ยกขึ้นเหนือศีรษะเราตั้งศิษย์พุชาแล้วก็ไปวางไว้ที่ขมิทตันเอาเม็ดเอ็ดหน่อยๆไปวางตั้งแล้วก็กลมลงกราบเสร็จแล้วก็เดินออกมาออกม า, ออกมาแล้วก็จะมองได้ไกลๆนิดนึง ปรงกาและก็ไปเห็นเห็นความสว่างแล้วก็ขอพระบารมีของพระองค์ว่าขอต้องโปรดเมตตาพระเกล้าและพระเกล้าเจ้ามลีของพระองค์ที่อยู่ประดิษฐานณสถานที่นี้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีโอกาสเห็นพระสัพพันรังสีของพระองค์ที่เป็นประกายมาจากพระเกล้าแลาพระมูลีของทุกทุพระองค์หากข้าพระพุทธเจ้าจะมีบนวักนาบารมี เราทําจิตให้ถึงตามดีถึงความเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานชาตินี้ได้จะไปจากคามเป็นมนุษย์ก็ดีหรือว่าตายจากความเป็นมนุษย์แต่แล้วไปถึงนพิพพานในชาติสุดท้ายก็ดีขอให้พระสัพพันจรังสือขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สดได้กล่าปคุยกุ้งมาอยู่เหนือที่สากของข้าพระพุทธเจ้าปรากฏประดุจดังพระองค์ย็นประคับอยู่ในที่สากของข้าพระองค์ได้เชย นี่ไหมเราเห็นเห็นพระพุทธองค์ประดิษฐประทับบนเนื้อศีรษาของเราไหมในความรู้สึกของใจเราเนะาะก็จะเป็นเคื่งยืนยันได้ว่ากําลังใจเราเราตั้งใจไป จ, จริงๆเราไม่ได้ตั้งใจไปเล่นๆ เ, เราตั้งใจที่จะไม่กลับมาเกิดจริงขอบารมีพระองค์ได้ตาสงเคราะห์เราอย่างในรักษาขอพระคุณพระพุทธองค์ท่านนะอย่าไม่ตาสงเคราะห์เรา แล้วก็ออกมาออกมาจากสถานที่ที่เป็นที่เจ็บรักษาเลยเป็นที่เป็นปนจุนะพระเจ้าแกและพระโมรีแล้วก็จะออกไปอีกด้านหนึ่งด้านล่างมันจะเป็นเหมือนเป็นอ่าจะว่าสลาก็เหมือนสลาแต่ว่ามันเป็นที่โล่งๆแล้วมันก็มีสั่งสูงๆอยู่ตรงกลางนะอ่ะาเขได้บุกตะบกแล้วใช้บุกจะบอกอะไรอย่างนั้นน่ะ จะตั้งกลางจะคิดกว้างมากสว่างสวยเต็มเนี่ยทุกม่านแก้วเนี่ยม่านได้ยึดได้ยึดข้างๆอะไเนี้ยแล้วก็มีรถ ล, ลายตามเสาต่างๆเสาต้นกลา ง, าา ง, าางไม่มีนะมีแต่ข้างๆาตรงกลางก็จะโล่งตรงแล้วก็จะมีบุกระบุกอยู่ตรงกลางตรงกลางตอนนี้ไม่มีใครสบายเรา อสบายเรานะแล้วก็เข้าไป ใ, ใกล้ๆที่บุกระบบที่ประทับคิดว่าเวลาพขาก็จะเจ้าประเดชองต้องประเดชประทับที่บุกระบบหรือว่าท่านที่ประทับของพระองค์เวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่นี่ที่พระจุลามานีเจดียสถานก็ต้องมีพระมาด้วยพระอาราหันต์ก็ดีพระอริยะสาวกก็ดีพรมเจวดาก็ดีท่านก็ต้องมากันหมดถูกไหม เมอมากำหนดที่โล่งเอย่างนี้ยขาจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปกลายเป็นที่ที่ถูกมีพระมีพระองค์สเสด็จประทับอยู่มีเม ร, า ร, าารุเหล่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยะไตรภคทั้งหลายที่ลดหลั่นลงมาต่างที่ท่านนั่งกันนะในความสว่างสวยก็จะมีความสว่างมากแล้วก็เป็นสว่างน้อยออกลงมาจะมีเทวดาที่มีบนบารมีน้อยก็อยู่ท้ายสุดเทวดาที่มีบนบารมีมากก็อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ แล้วก็เปลี่ยนสิ่นี้ปรากฏในที่ตอนแรกที่ไม่มีอะไรโลงๆไม่มีอะไรแล้วตอนนั้น้เสียงพระพุทธเจ้าเสด็จมาสมเคราะห์เราแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธองค์แล้วก็หันมากราบทุกๆ ท, ท่านที่เป็นพระอาหารหันต์ที่เป็นพรมเทวดานะกราบท่านโปภิอินท่านย่ากราบเทวดาทุกๆ ท, ท่านที่มีคนตาเรา นนการได้จยใจล ะ, อะข อ, อกราบท่านความดีของท่านโมตนาความดีที่ท่านมาสู่ใความสุขไม่จะมาเป็นมนุษย์อย่างเ่าแล้วเหมนมเวลาเราเข้าไปใกล้ใกล้พระพุทธเจ้าพระพระุทธเจ้ามีชีวิตไม่ใช่เหมือนท่อนอย่างนี้ในโลกมนุษย์ใช่มเวลาเราเข้าไปใกล้ใกล้พระองค์ใจเราเนี้ยเราจะรู้สึกว่า เรามีฟัาจะบอกว่าดีใจมันก็ว่ากับคำว่าดีใจแต่เป็นความภุมใจว่าเราได้มากร่าวพระองค์ใกล้ๆก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เรามีโอกาสน้อยมากที่เราจะมากลาวพระองค์ใกล้ๆอย่างนั้นเนอะเมื่อเราขอพุทธาอนุญาตพระอุคธเจ้าองค์เป็นที่สุดขอมีโอกาสได้ทราบไปใกล้ๆพระองค์ใกล้ๆพระบาท แล้วก็คิดว่าพระบาทกับพระองค์เมื่อครั้งทรงเป็นมนุษย์ทรงได้ดำเนินพระวรกายของพระองค์ไปตรวจหมู่คนทั้งหลายไม่ว่าจะไกลหรือใกล้แค่ไหนจะระบากเพียงใดพระองค์ก็อาศัยพระบาทของพระองค์นี้แหละนะทัพเดินไปในที่ต่างๆน้อยนักที่องค์จะทรงใช้ปฏิหาร แต่ในามเป็นจริงพระองค์แทบจะใช้น้อยมากนั้นไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ได้ใช้เลยพองค์ก็จะประเด็ดเดินไปจะยากลําบากเพียงใดองค์ก็เดินไปเวลาโปรดสัตว์นั่กลับตรงไปอย่างนั้นและพระบาทขององค์มีความสําคัญนะมีความสําคัญแล้วถือว่าเป็นสิ่งชิ้นเหนือมีของมีค่าสําหรับเราที่สรางพระองค์ไม่ได้ตั้งใจที่จะโปรดบุคคลผู้ใดเท้าทั้งสองของพระองค์ก็ทรงอาจจะไม่มีการเคลื่อนย้ายไปไหน ก็จบรรลอุอภัยเศสกมาสัมโพธิญาแล้วพระองค์อาจจะละสังขารไปนิพพานเลยถูกไหมไม่ต้องเดินไปหาไข่จะได้น้ำพระทัยพระองค์ทรงเมียนพระบาทพระองค์สคู่นี้ที่ได้สเสด็จไปสงพระบูควัทั้งหลายมากมายบางครั้งยั ง, งทรงกระเสนชีพอยู่แม้แต่สมัยที่องค์เสด็จพระรมวโรโครจได้ถึงซึ่งชั้นนิพพานแล้วก็ดีองค์เสด็จพระเจนะเสด็ก็ยังสเสด็จไปต่อเราก็ยังเห็นพระบาทคู่นี้ ของพระองค์เราจะเสียเอาว่าพระบาทขององค์สมเด็จพระสัสมาสมพุทธเจ้าเมื่อเราได้ขอพุท พ, พุทธศาสนุญาตได้มาประทับอยู่ในเสือเสียนอเราบนทิศเราจะเป็นสิริมงคลเป็นขึ้งย้ำเตือนเสมอว่าพระองค์มาส่งเคราะห์เราเหมือนกระรองจงดำเนินพระพุทธบาทเดินมาสงเคราะห์เราฉันนั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ห่างพระองค์ทรงยืนอยู่ ยืนอยู่บนหัวเราฝึกง่ายๆนะเยืนไปคาบอยู่บนหัวเราดีไหมถ้าเราแน่ใจว่าสิ่งนี้จะทําให้เราเกิดสติเกิดจำนึกถึงพห้เราจมีอนุสติเกิดเตือนใจเราได้ก็ขอพระบารมีขององค์เดชพัสมาสผู้เจ้าขอพระพุทธานุญาตอพระพุทธานุญาตข้าพระพุทธเจ้ า, ษษาเห็นความสําคัญแห่งพระพุทธบาทที่พระองค์ทรง ได้เสด็จนำเนรไปจงครอบหมูสัพพะสัพทั้งหลายกมมนฉันก็เป็นสัพพะสัพผู้หนึ่งที่ปราณนาไข่จะได้รับความเมตตาจากพระองค์ขอพระองค์ได้เปิดเสด็จปทับยืนเหนือบนศีรษะของข้า พ, พุทธเจ้าก็เป็นสริก็เป็นที่ระลึกนึกถึงเหมือนกับว่ามีลาภบาทประทับอยู่ในเหนือบนศีรษะของข้า พ, พุทธเจ้าด้วยเทนขอความเมตตาพระองค์ฉันนะ เราได้รับพระเมตตาจากพระพุทธองค์ไหมแล้วก็นึกเอาไว้เสมอว่านี่เป็นโอกาสที่เราได้มีแวะพระพุทธบาทแวะพระบาทของพระองค์เพราไปหาที่ไหนเอื้อมมือคำหัวข่าวใดแล้วเรารู้สึกว่าเท้าของพระองค์เนี่ยอยู่บนหัวเราข้านั้นดีไหมอ่าเนสนะวันไหนเราหวีผมเออดเดียวโดนเท้าพระองค์ เร า, าไม่โดนหรอกนะแล้วก็เนี่มีพระบาทของพร ะ, ระองค์ยืดบนขีดักดิ์ของเราเป็นเรื่องฝันเป็นเร่งกระหม่อมเป็นทำให้เราเกิดความมั่นคงในจิตใจว่าเราไปไหนพระพุทธองค์ก็ไปกับเราเราคิดอะไรพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเราคิดอะไรเราคิดโ ง, โง่ๆพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเราคิดโ ง, โง่ๆดีไหมอ่า เราคิดชื่วเพราะพระพุทธเจ้า ก, ก็รู้ว่าเรากําลังคิดชื่วอยู่เราคิดดีเพราะพุทธเจ้า ก, ก็รู้ว่าเราคิดดีทีนี้จะไปไหนจะก็ต้องได้เสมอว่าเราไม่ได้มีแต่เราจะเพียงผู้เดียวนะข้าบาทขององค์เสด็จพราากกะบรมมรรคกานตประทับนบนเหนื้อที่ิะบนกิศาของเราเหมือนเป็นรอยข้าบาทของเป็นเลยปามหัวเทยวอล้วยังนั้นไม่จะยันเกาะเพชรนะอ่า อันนี้เกลาพระบารของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีน้ําพระทัยพรเม่ตาให้เป็นสิริอันเป็นมงคลตามที่เราขอความเมตตาจากพระพุทธองค์เพื่จะเป็นที่เราเลิกเกลียดใจเรานึกถึงเสมอว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเรายามใดที่เรามีความทุกข์ใจแล้วก็เมือรุกศีรษะเราพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่อยู่กับเราขอให้เราจะได้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ พอปัญญาเนี่ยไอ้สมองคิดโต้คิดเท่เลยนะมันจะมีความเฉลีงใสคิดอะไรก็ฉลาดจําอะไรก็ดีนะรู้อะไรก็เข้าใจง่ายคิดพิจารณาอะไรก็ไม่มีอะไรขัดข้องในใจสามารถรู้แก้งไขตลอดแต่กิเลสเป็นสมุทรเสียจะประหารได้ถูกไหมเราก็เล็กอย่างนี้เวลาเมื่อคู่หัวฉันเลิกง่ายไม่ใช่เลิกยากฉันหัวล้านสบายเลิเพลินนะเลิกเพลิน และถ้าคิอย่างนั้นคิดว่าทุกครั้งเราเอามือรูดศีรษะเราจะเพราะว่าเราได้ได้กระดกจับรอยพบาตที่พระพุทธเจ้าเมตตาประทับบนศีษะของเราไว้แค่นี้พอใจไหมพอใจก็เป็นนิ่งฝันเป็นสิริมงคลแห่งเราแำให้เว่าเราไปไหนพระพุทธเจ้าไปกับเราด้วยนะแล้วก็จะไปกราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ตรงนี้นะว่าใช่พระเมตตา ไม่ถือว่าสิ่งที่ข้าพุทธเจ้าเจ้าขอจะเกินเลยเกินไปยังเห็นความสําคัญแห่งใจที่ข้าพุทธเจ้าหวังว่าจะได้เป็นเครื่องสติเปือนใจข้าพุทธเจ้ายามโง่เขาบปัญญายามที่พบ ก, กับสิ่งที่เป็นภัยอันตรายอยามที่เราเกิดความกลัวและหวั่นไหวยังรู้สึกว่ายังมีองค์เสด็จพระจอมไตรปสดาอยู่บนศรีรษะของเราเสมอถูกไหมอ่าแล้วหันไปกับ ขอบพระคุณทุกทิฏะองค์ที่เมตตาสงเคาะหนะเราจะเป็นพมแเกวดานังฟ้าครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อและสิ่งท่านถ้าสิ่งใดถ้าตามหากเป็นบุญกุศลที่ทุกทิฏฐะองค์กระทำมาแล้วลูกขอโ ม, ม, ม, มทานาบุญกุศลข อ, ของทุกทิฏฐะองค์ด้วยหากบุญใดที่ข้าพระพุทเจ้าได้กระทำมาดีแล้วจะขอทุกทองค์ได้โปรดอัปโมทนาและบุญกุณสนที่เข้าพระเจ้าได้ทํามาแล้วด้วยเถิด ท่านยกมือสาทุกไหมาสาทุกนะแล้วเราจะมาดูว่าปุณมันเกิขึ้นกันเราอธิอาษฐานใจของเราเปลี่ยนไปประเด็มไหมรู้สึกมันสว่างสวยประเด็มไหมเบาใจประเด็นไหมนะ้วก็ตั้งดูเอาเมื่อจิตเราเราสบายอย่างนี้แล้วก็เปรียบเทียบว่าถ้าเราต้องกลับไปอยู่ในร่างกายที่มีเป็นมนุษย์เรื่เวลานี้คงจะต้องสาปปูนจัจในจหลเรไปแน่ตามตรง ความสบายตามเบาตามเป็นอิสระคงจะจัดต้องหายไปจากเราแน่นอนดังนั้นเราจึงถือถือเอานิมิตเครื่องหมายว่าวันนี้เราได้มีลาภบัติกับพระโอปปัตติในเนื้ตอต้นคีรษะของเราเราจะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจกันหน่อยเสมอว่าครั้งใดที่เรานึกถึงได้ก็เด่งลาเขาว่าเราไม่มีความสนใจร่างกายนี้แล้ว เรากะว่าเราคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นอิสระคือตัวเราที่เิ็นจิตล้วนๆมีอัจฉริยาก า, ายที่เป็นอย่างที่เราเห็นไม่ใช่หนังมังสาแบบนี้ไม่คิดขี้เยี่วแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่มาท ร, รมานให้เรามีความคับแค้นจิตใจเจ็บอักจิตใจแบบนี้นี่ไม่ใช่แต่สิ่งที่เป็นของใช่จริงๆก็คือว่าอาัจฉริยากายเรากับความสุขที่เราเคยได้สัมผัสในความโปร่งสบาย จะต้องปรากฏจะเราแน่นอนเมื่อวาระร่างกายนี้มันตายไปเหมือนเาารากำลังรอว่าเมื่อไห่มันจะตายเมื่อไห ร, ร่ลมหายใจมันจะดับเมื่อไหร่ทุกสิ่งที่อย่างมันจะจบสิ้นไปเสียเราจะมีชีวิตอยู่อย่างคนที่ไม่เห็นสิ่งอื่นสําคัญและมีความหมายไปยิ่งกว่าองค์พระพุทธเ้าสมัยสมพระเจ้ากสมและพระอริยสกฆ์ตามตั้งใจที่จะไม่กลับมาเกิด นั้นยามใดเราก็รู้สึกว่าเราเป็นคนคนหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงเมตตาเราจะทำเป็นอยู่คนที่เป็นสังคนชื่อไม่ได้นะเราจะทวกอาญาเชั่วไม่ได้แต่เดี๋ยวเราถ้ากพกุทธบัตรพรองก็จะหายออกจากศีรษะของเราไปเห็นไหมบันญันินอขอบเทขห้าไปสองข้อนะห้ามกินเล่าห้ามรัตับเห็มไหมนั้นยันก็จะหายออกจากร่างกายเราไป นี่พระองค์ไม่ได้ตรัสที่จะมีข้ออะไรห้ า, หามในใจเราเพียอแต่เมื่อใดที่เรามีใจระลึกนึกถึงพระองค์เมือ่อนั้นสิ่งนี้ก็จะปรากฏนี้อยู่ตเติมเช้ามาเราตเติมมาเตาเลยล้างหน้าปุ๊บมือลุกที่ศักดิ์เราเลยดีไหมนึกวเนี่ยเป็นสรีมงคลเช้านี้เป็นสรีมงคลแล้วเรามีพระประทับอยู่บนที่ักดิ์ของเราเป็นมงคล วันนี้เราจะไม่คิดไม่พูดไม่ทําสิ่งทีง่เป็นความชื่อที่ทําให้ใจของเราเศอ้หมองวันนี้เราจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆทําสิ่งที่ดีเพื่อว่าเราตายวันนี้ใจจะได้ไม่กลับมาเติดเนี่ยนะเวลากรอนอนเราล้มจนเรากะมือปื้อหัวซหน่อยเอ่อเราจะนอนอยู่ใกล้พระบาทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนิพพานเราก็จะไปนอนอยู่ live, days, in ต, ตรงนั้นแหะตรงที่พระบาทของพระองค์นั่นแหละนอนตรงนั้นแหละ แล้วก็ล้มตัวนอนภาวนาคลกเข้าโทรออกไปเลยแล้วภาวนาบทใดก็ได้นะอ่าวนเสวแล้วกำลัมลุกหัวไปลุหัวไปเอ้เนี่ยเของเพาะเขาจะองอยู่นะอยู่กับเรานะเด็กก็เคิ้มหลับอ่าแล้เคิ้มหลับอย่าให้คนมืสกปรกคนที่มีจิตใจสกปรกมาจับตัวเธอนะสิ่งใดที่เป็นมงคลบนีระเธอแล้วนะ ถ้ามันมีความจําเป็นอย่างช่างทําผมแล้วก็ขอพุทธานุญาตให้สิงห์พระท่านก่อนว่ามีทําจําเป็นท่านก็ต้องทําบนศีรษะของหนูขอพุทธานุญาตอย่าได้มีโทษจะได้มีของอมบงคลคนทั้งหลายมาอยู่บนศีรษะของหนูแทนรอยพระกับพระองค์เลยเห็นไอมตอนนี้เราก็กราบลาพระพุทธเจ้า น, านึกถึงพระองค์นึกถึงท่านทั้งหลายที่เมตาตาสงเคราะห์ผมเจวดาครูบาอาจารย์ กับขอบคุณที่แม่ตาสต่งข้อให้โอกาสแก่เราผู้มีความตั้งใจถึงแม้ว่าตามดีอะไรยางน้อยนิดแก้ว่าแต่ว่าความตั้งใจของจิตมันมีความแน่วแน่ถ้ า, าองค์ทรงเห็นความตั้งใจของเราอย่างถ่องแท้เความแม่ตาพระองค์จถึง ป, ประทับอยู่บนกีฬ์ของเราตลอดเวลาแล้วก็กราบขอบคุณและขอเข้ามานะกราบที่พระเจ้าประทํานิป็นใดไม่เหมาะไม่ควรอาจเป็นการ ที่ท่านทั้งหลายคิดแะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีกราบขอเข้ามาลาโทษ้วย เ, เกิดคารับในก้อถอดฆ่าว่าไปนะามาสำาัญอันนี้ท่านก็นนจาเลยนะว่าสิ่งที่อยู่กับเรานะ่ะใครจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามก็มีความตั้งใจก็ถือว่าสิ่งนั้นก็ปรากฏแกิดบัญญัตะของเธอเห็นหรือไม่เห็นก็ตาม ใครอาเทปวันี้ไปฟังและปฏิบัติตามเมื่อไหร่ก็มีปรากฏอย่างนั้นเหมือนกันยนั้นเหมือนกันแล้วคอยตั้งใจเสมอว่าเมื่อเราตื่นมาล้างหน้าก็เสียเป็นสติเอาน้าที่เราล้างหน้าเข้ามาลูบศีรษะเราึ้นไปเหมือก็เอ่อมันน้มนต์ที่ขังอยู่ในรอยพระบาทของพระองค์หลังไหลมาชะลมกายเราล้างชระสต สางสิ่งที่เป็นอกมงคลทั้งหลายที่มันไคยเกาะมาทางกาและเกาะมาทางใจของเราให้สลายไปแล้วจะทำเป็นสติมงคลมีความผ่องใสในใจเราแล้วก็ตั้งใจวันนี้ขอสิ่งดีๆจงได้ปรากฏกับเราไม่ขาดสายขอเราพบเจอสิ่งที่ถูกใจสิ่งที่เราสบายใจอย่าได้พบเ จ, เจอในสิ่งที่เราไม่สบายใจแล้วเกิดอัดใจเลยสิ่งที่เป็นกา ร, รมเป็นเวนทั้งหลายก็จงอยู่ห่างไกลาจากเราไป ขอเทวดาที่ม่ตางปกปักรักษาคุ้มครองจนได้โมทนายินดีแล้วก็ลูกลงไปลบจบแล้วก็จบแล้วก็ภาวนาขอาหราอิจิปิโสก็ได้พุทโธก็แดดหลังจากนั้นเดินมอิจิปิโสพัคควาต้องไปใช้จบสองจบนะตามใจใจกระทำภาวนาพุโทโธพุทโธก็สองคำคำก็มาเจริญก็ทําไปเออจื่นมา ก, ก่อนนอนแล้วก็จัดการล้งาลงเท้าล้างน้ำเทียมอาบน้เอาถ้าอาบน้ำก็ทําเลยนะ ทุกคราวที่เรได้อาบน้ําคิดว่าจะคงอาบน้าทุกวันนั่นแหล ะ, อ, ะอาบน้ำคราวได้แล้วก็ถือคนนิมิตตั้งใจว่าเราเอาน้ําล้างหน้าค่าวใดก็ได้สิ่งี่สตาของเราคราวนั้นเวลาเราล้างหน้าช่วงเวลาไหนาก็ได้เสถึงมือไม่ ว, ว่ า, ามือเราไปเิดคุม้มโดนพิสตาเราเมาื่อใดก็คิดว่านีมิตยังอยู่ยังอยู่เรากระบาทพระองคยังอยู่มบนพิสัาของเรานะเนีย่ยนะเราจะได้นึกว่าสิ่งที่ดีๆจิตมันจะได้เป็นกุศล มีกําลังพุท ธ, ธานุภาพาอ่าประมาณไม่ได้อคุศลกรรมใดๆก็ไม่สามารถกล้าล่วงขโมยสุมาสุกาและใจของเธอได้โดยกําลังแห่งพุท ธ, ธานุภาพนั้นทุกครั้งที่ทำตั้งใจอย่างนี้ขอให้สิ่งที่เป็นมงคลชงดา ร, รลาศกเลาอย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่าไปนะอแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นพัะนานของพระองค์แล้วก็ภาวนาไปให้ถึงพระองค์ท่าน เดี um galaxies, player, ๋ยวเรามาตั้งใจขอคดส่งกุศลกันนะทิศทางมุญยะพลังบนระเบียใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แบรเห็นแล้วถโอกาสนี้ขอคิดส่งกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยร่วมเปินตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันขวายทั้ทั้งหลายจงโมทนาจงอโหติกรรมให้แก่ข้าพเจ้าณทั้งแต่แบบนี้ราชาข้าวสพระนิพพานและขวที่ส่วนกูตนนี้ให้แก่เพื่อพระเจ้าทั้งหลา ย, ท, ลายที่ปกตารักษาข้าพเจ้าและเพื่อพระเจ้าทั้งหลาย เท of วสารคนรักพ hey okay. ิพพกและพายมราชขอเถิระจาทั้งหลายเจะยายมราชโดยโปรดโนธนาโดยโปเป็นสตีปยาญในการบรรพกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่ส่งกุศนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่สวยความสุขอยู่ก็ดี สวยตามทุกหยุดดีเป็นญาติก็ดีวิใช่าตก็ดีขอายทั้งทั้ ง, ท ง, ทงหลายจงโมทนาถึงญาตประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าตรรพญาัินักการรฏิบักิเนี้เศษชนละดุใดที่ข้พาพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็นแล้ว ณโอกาสนี้ต่อผลบุญนี้จงเป็นปันใจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเึ้าพระนิพพานในชาติตจ r e s e n t ด, ย, ดยเท็มอระหังสัมมาจงังสุเถทัพโควารถทางทัพโควันตามอภิวาเทมี ตระกาตระทวัตตาทั้งหมดธรรม t ับวัตตาตุปต o ปันโนพระขวัตโนสาวัตสังโฆตั้งขังนัมมิโฆษณาทุกคนนะ ใครเดินทางกลับไปขอเห้โชคดี้ใช้นะเดินทางขออภัยกลับไปเลยใหญ่ทั้นใดเลยนะใคาอยู่ก็เลยส่งเท่า